ผู้ใดเทเล่าเผาบุรี่ได้ผู้นั้นคือวีรบุรุษวีรสตรีของโลกที่แท้จริงเป็นผู้ที่งดงามประดุจพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญที่พ้นจากหมู่เมฆ สิเนเงางงล้นปลีของดีดีไหมา ไปเผาไฟหักติดหักติดตัดใจเสน่ห์จันไรจะได้ไม่มีมาเลยค่ะเทรถุกเนนะคะเทละครับมาสร้างเสน่ห์ให้กับบ้านด้วยกันนะครับดีเลยค่ะ น้ำอุบาทออกไปเสนียดจันไรจะได้ไม่ติดบ้านนะคะเอาเฮ้ยทีต้องเลื y o e m h ผู้กล้าบุคคลสำคัญของโลกเป็นนักรบแนวหน้าของกองทัพธรรมได้มีความกล้ า, าหาญที่เดียวเล้ที่ได้เอาน้ำอุบาทออกจากบ้านาเอาออกท่ามกลางนักรบกองทัพไทย Oh. เป็นสักขีพยานกันอ๋อ oh. เป็นสิ่งที่โอ้โหเห็นแล้วนี่น่าชื่นชม <Okay. S 2> น่าอาศาัศจรรย์เห็นภาพแล้วครูไม่ใหญ่เลยขนลุก oh. ปลิมปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งนีเดียวน้ำชนิดีๆไม่มีประโยชน์อะไรหรอก <Okay. S 2> มีนิดหน่อยที่พระสัมมาสมุญธเจ้าตลาดไว้ว่าเอาไว้เป็นกระสายยา mm hmm. คือนิดเดียวนะให้ดื่มได้ okay. แต่อย่าเอายากับสายเล่าครับอันเล่ากับสายยานิดหน่อยพอที่จะนำยาให้ไปถึงแหล่งของโรคภัยแค่เจ็บครับแต่จะไปมากกว่านั้นบางทีเนี่ยคุณผู้ชายทั้งหลายนึกหาใจผิดว่าโรคผู้ชายต้องเมาตั้งดื่มเหล้าไม่จริงเลยนะ บางทีมาดแมนเนี่ยไม่จาเป็นต้องมาดเมามาดเมานี่มันมันเสียความเป็นมาดแมนามาดแมนต้องแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจจะต้องไม่เอาสิ่งใดๆไปบั่นทอนสุขภาพเพราะว่าร่างกายนะั้นเราจะต้องปกป้องผ่องใยทั้งภายในครอบครัวที่เราจะต้องรับผิดชอบบุตรภรรยาพี่น้องของเรา เราจะต้องมีความเข็งแรงทะลเราเมาล้วจะไปสู้ใครได้ครับถ้าเป็นทาหารหานักรบกองทัพไทยซึ่งจะต้องปกป้องผองภยัยพานต้องแกล่งตัง้งแดีเดียวเยทั้งร่างกายและจิตใจเพราะานักรบนี่มีคุณธรรมพิเศษที่ยากจะหาใครเสมอเหมือนได้คือความเสียสละครับ เขาจะจ้องเมื่อมีภัยผ่านเกิดขึ้นมันรวมกันเป็นหมู่เป็นใหญ่หมู่เหล่าก็นใหญ่เดียวซึ่งมันเหลือวิสัยที่ใครๆคจะไปประทะได้จะต้องอาศัยนักรบผู้มีคุณธรรมเนี่ยที่เสียสละความสุขส่วนตัวความสะดวกสบาย ตั้งจากบุตรภรรยาจากครอบครัวอบอุ่นเข้าไปสู่สมรภูมิซึ่งในสมรภูมินั้นน่ยมันไม่ใช่เป็นสถานที่กินเลี้ยงมีกับระเบิดแล้วก็เลือกอาวุธยุโทโธปกรณ์ไม่ได้ต้องเจอทั้งเสียงทั้งแสงทั้งอาวุธทุกอย่างหมดเลยจะตั้งสละชีวิตตายแทนคนอื่นกก่อนคนอื่นก็เลยปกป้องผองใหม่ เป็นชีวิตของผู้มีคุณธรรมนะอันสูงส่งถ้าหากว่าเขาไม่ได้เอาน้ำชนิดนี้เนี่ยผ่านเข้าไปในร่างกายเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเลยเขาจะทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์อย่าไปเชื่อว่าน้ำนี่ทำให้ฮิเขิมนะน้ำนี่ทำให้เกิดสติปัญญาคิดอะไรออกไม่ใช่ถ้าหากว่าสุราทำให้เกิดปัญญาเนี่ยไม่ต้องเรียนหนังสือแล้ว ครับปัญญานี่เกิดจากการศึกษาครับเกิดจากการเรียนรู้ครับต้องเรียนรู้ต้องศึกษากันอย่างเดียวความเขขืนขึ้นอยู่กับมโนปณิธานของทหารหารครับซึ่งจะรู้ว่าวาระนี้เนี่ยเราจะต้องกล้าหานกว่าคนอื่นทั้งหมดทั้งประเทศจะต้องเอาอกของเราปกป้องผ่องใหม่ ชีวิตที่มีอยู่แเ้จาจะต้องสระออกไปเลยความฮึกเหิมนี่มันต้องเกิดมาจากดวงปัญญาและคุณธรรมมันสูงส่งไม่ใช่เกิดจากน้ำสุราเพราะฉะนั้นการที่เอาไปเททิ้งเนี่ยโอ้โหดีมากเดี๋ยวเราดูภาพไปด้วยครูไม่ใหญ่นี่ตื้นตันใจเลยหมด น, นี่นักรบ กองทัพไทยกองทัพธรรมนี่สุดยอดจริงๆไม่มีชาติไหนเสมอเหมือนได้เราดูเป็นไงจ๊ะยอดท่าทางที่ถือขวดสานี่สังงางามครับกำลังเทด้วยความองอาจกราหานทีเดียวเพราะไม่กล้าและเทไม่ออกครับน อาความมีสเสน่ห์เกิดขึ้นแล้วนี่มาดแมนได้หวนคืนมาทีแล้ว<อ>ที่มีอยู่แล้วก็มีเพิ่มขึ้นไปอีกยังไม่ยั้งเลยกล<อ>้าใหญ่ดูนี่เทกันจกใหญ่เลยเนี่บแล้วก็กรายงานตัวกั บ, บผมบชิตังเมๆๆ <laughs> โอ้โห oh <laughs> กับผมด้วยครับท <laughs> ี่ตังมีเหมือนกันครับเห็นไหม <laughs> นี่เรื่องธรรมดาไหมไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะจ๊าการเอาชนะศึกอย่างนี้นี่ไม่ธรรมดาดูสิว่าเขาทำกันที่ไหน อ๋อ oh. ให้ปลอมมือไม่ทั่วโลกเลยครับนี่เป็นหน่วยรบที่เข้มแข็งที่สุดในโลก oh. อ๋อ oh. oh. oh. ตอนนี้ทุกคนพร้อมเสมอครับไม่ต้องเตรียมพร้อมแต่พร้อมเสมอแล้วนี่ครับมีสักย์ขีปย์ ของวีรบรุตรผู้ยิ่งใหญ่ทีเดียวเนี่ยนี่คือสิ่งที่น่าโมทนาเราดูอีกทีหนึง่งสมัครใจเทกันอย่างนี้เลยออมันน่าชื่นชมทีเดียวออแล้วท่านผู้บังคับการก็ให้โอวอาทครับพร้อมป ร, ระกาศสืุอดีทีเดียวชื่นชมยินดีทีเดียว แล้วมาฟังเรื่องราวของท่านดูภาพไปด้วยครับกระผมพันโทกล้านรงนี่ทั้งอ่านให้เสียงให้เหมือนหน่อย oh. ภระรีาพริททิเดศค mm hmm. าศึกทั้งภายนอกภายในเนี่ยแพ้หมดเลยครับแล้วก็ต่อด้วยลูกพระราช oh. <laughs> ไปทหารแน่งกองทัพไทยและกองทัพธรรม เป็นนักเรียนรุบานฝันในฝันวิทยาโดยได้รับฟังการถ่ายทอดทางอินเทอร์เน็ตทุกวันที่กองพันที่สามกรมหาราบที่สิบเอรักษาพระองค์จังหวัดเพชรบุรีชอบรายการนี้เป็นชีวิตจิตใจขาดไม่ได้เลยครับอยิ่งฟังก็ยิ่งคารรักเทิดทูมบูชามากในความเสียสละของคุณครูไม่ใหญ่ที่มีต่อชาวโลกดับพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย สิ่งที่ครูแม่ใหญ่สอนทุกวันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากหาฟังที่ไหนก็ไม่มีอีกแล้วครูไม่ใหญ่นะช่างฝันจะฝันในฝันนะ่นแหะครับครูไม่ใหญ่เป็นผู้ชี้นำหนุนนางสว่างแก่ลูกพระราษฎรทุกๆคนที่จะได้นําความรู้ตรงนี้ไปทำหน้าที่ชี้อุ้นทางสว่างให้กับผู้ที่ยังไม่รู้อีกต่อไปว่าจะเป็นเรื่องนรกสวรค์เรื่องโทษของสุราแม้ในส่วนตัวไม่เคยดื่มสุราเลยเพราะไม่ชอบ และก็รู้ว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรต่อสุขภาพแถมยังเสียงเงินเสอีกเหมือนเรื่อ ง, องราวในประไตยียบดกที่ครูไม่ใหญ่นำมาสอนอยู่ในช่วงนี้แต่ในหน้าที่การงานที่ดูแลทหารทั้กองพันุที่มีการดื่มสุรากันอยู่กําลังจะหาวิธีให้เขาเลิกสุรากันอย่างไรเพราะทหารกับสุราเป็นของคู่กันมีทหารนั่งนับขวด มีตำรวจนั่งนะับแบงค์เาว่าเขาว่านะอ๋อครับว่าอันนี้ไม่จะครูว่าใหญ่ว่านะครับเขาว่าเขาว่าครับทหารไม่ได้คู่กับสุรานะลูกนะทหารคู่กับคุณธรรมอันสูงท่งคู่ความเสียสละคู่กับดวงปัญญาคู่กับความสว่างสวัยตีจะต้องปกป้องผองภัยผ่าน จากผู้ที่คิดประทุดสร้ายต่อบ้านเมืองต่อไปเมียทหารเนี่ยจะนั่งนับใบอนุโมทนาบุญพอได้ฟังหลวงพ่อเล่าในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิญาชอบใจที่สุดแล้วครับตรงใจเลยจะได้นำไปสอนในทหารต่อแล้วเกิดแรงบันดาลใจที่จะเทเล่าทิ้งต่อหน้าในาทหารทั้งกองพัน พี่หมายที่ผ่านมา 2,546 เทไปแล้ว100กว่าขวดที่นาบานสาธุโอ้โหนี่ท่านเทก่อนที่ครูไม่ใหญ่จะชวนเทนะเดือ <c oughs> เพราะปกติจะมีคนนำสุรามาให้ <c oughs> เป็นประจำแล้วก็พูดว่าถึงผู้พันไม่กินกากไปเลี้ยงลูกน้องก็ <c oughs> กรับไปโดยไม่ให้เสียน้ำใจพอเข้าไปก็ให้ลูกน้องนำไปเท ท, ทิ้งเป็นประจำ <c oughs> <laughs> ล่าสุดได้มีคนนำสุรามาให้อีกหนึ่งลังจงไม่โอกาสอันดีในวันนี้วันจันทร์ที่สองมิถุนายนเวลา 8.00 นอนกที่จะได้ทำการเทสุรายต่อนหน้านายทหารท่านกำพันธ์ประมาณ7จ0ร้อยกว่านายให้รับทราบนโยบายใครกินเหล้าขัดใจผู้พันนี <laughs> ่ <laughs> <laughs> หนังชื่อเรื่องหนังใครกินสุราเมลยัยขัดใจผู้พันบางทีมไม่กินเหล้ามันกินเมลยัยก็เด <Yeah. S 2> ี๋ดวนี้มันก็ mm hmm. มีหนึ่งตำบลหนึ่งพิพิธภัณฑ์เล ย, ดย <Yeah. S 2> โดยคัดเลือกในทหารที่กินเหล้าขอเหล้าเป็นตัวแทนซึ่งกินมาตั้งแต่ยศสิบตรีจนถึงร้อยตรีเป็นตัวแทนในการเทเล่าในครั้งนี้ mm hmm. และมีความมั่นใจว่า าการกระทำในครั้งนี้จะส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นคงจะเล่ากันไปปากกับปากและคงจะได้รับเล่าเป็นของฝากอีกต่อไปครับพวกที่จะเอาเราไปฝากก็เปลี่ยนเปนอย่างอื่นครับซึ่งผู้พันจะได้เอามาทําบุญครับเราทับใจในโอวัตหลวงพ่อที่ได้สอนในทุกบ้านทําบ้านให้เป็นสเสน่ห์ในความรู้สึกของผมจะเป็นลูกพระราชคนหนึ่งคิดว่าทบานไหนยังมีขวดเล่าอยู่ ทั้งทั้งที่มีรูปครูแม่ยายอยู่ในบ้านเสียชื่อรรลูกพระราดหมดนะลูกพระราที่แท้จริงต้องหักดิบทุกอบายามุกโอ้โอสาธุาโอ้ดีจังเลยดีมากมากเลย